<c oughs> สลับเวลามาได้ทุกีก็ถือว่าเป็นความตั้งใจก็เป็นสถาที่ยอดเยี่ยมแล้ะนั้นก็เลยว่าในช่วงเช้าหลังจากที่พระท่านได้สรุป ข, อข้อสังเกตต่างๆที่เราทำมาอยู่เป็นเพลิ น, เ ป, นเป็นกิริยามิตรของเราในช่วง ห้าวันเจ็วันนี้มีส่วนไหนที่ท่านเห็นว่านักปฏิบัติควรจะเอาไปดอกเนเ้นทําให้ดีขึ้นหรือข้อควรระวังอุปสรรคปัญหาของการปฏิบัติดอกเนื่องอย่างนี้มันอยู่ตรงไห น, นท่านจะชี้ตามที่ท่านได้สังเกตแล้วข้อบกพร่องของแต่ละคนที่สังเกตเห็ น, น, นก็จะนํามาสรุปให้ฟังในส่วนของพระ เสร็จแล้วจากนั้นถ้ามี <c oughs> เวลาเหลือก็จะเป็นการเดินจงกลมชมสวนไปถึงเวลาอาหารแต่ถ้าไม่มีเวลาก็แล้วไปนะหลังจากเดจกรมชมสวนเสร็จแล้วเราก็จะต้อง <c oughs> ทำา <c oughs> พรกิจสุดท้ายก็คือขมวดการปฏิบัติทั้งหมดในช่วงเช้าเนี่ยสามชั่วโมง เราเก็บอารมณ์ช่วงสุดท้ายจนไปถึงเวลาสิบเอนาฬิก า, นะมาเมื่อสิบเนาฬิกาฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วเที่ยงจากเที่ยงถึงบ่ายมงเนะเราก็ช่วยกันเก็บพระหน้าที่สัมภาระต่างๆพร้อมเดินทางนะจากช่วงบายมงไปต้นไปก็จะมีการประชุมสัมนานะว่าพวกเรามาอยู่ที่นี่หกเจดวันนี มันคุ้มกับเวลาที่เข้ามาไหมคุ้มกับเงินทองที่เราเสียสละมาไหมแล้วเราได้อะไรเป็นสิ่งที่จะต้องเอาไปใช้เป็นกิจารักษณะในชีวิตจวันแล้วในส่วนไหนที่เข้าใจยังไม่ถูกพระพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์ก็จะคอยแนะนําแก้ไขส่วนไหนที่เข้าใจถูกแล้วก็ควรจะไปประคองประคับของรักษาอย่างไร ก็จะได้แนะกันตรงนั้นตรงที่เรียกว่าสัมนารายงานอารมณ์ส่วนที่เราปฏิบัติมาเนี่ยจะเราสามารถลาดับขั้นตอนของจิตของเราในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เราเข้ามาปฏิบัติวันแรกถึงวันนี้ได้ไหมช่วงเช้าเนี่ยเราต้องไปเรียบเรียงของเราเพื่อตอนช่วงบ่ายเราก็จะเอามารายงานกายทราบเป็นขบวนการที่ เป็นรูปธรรมอะไรก็ตามที่เราทําไปแล้วจะต้องมีการประเมินผลนะการประเมิมนผลออกมาให้ชัดนะเพื่อเราจะได้ต่อบทเรียนได้ถูกว่าเข้าบทเรียนครั้อนี้เราถึงเข้าใจตรงเนี้ยอย่างเนี้ยครั้งต่อไปเราจะต่ออย่างไรเลือนไปต่อที่บ้านอย่างไรตรงนั้นเป็นหน้าที่ของแต่ละนักปฏิบัติแต่ละคนจะได้หาทำหน้าที่ตรงนั้นตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป จากนั้นถ้าเสร็จแล้วถ้ามีเวลาเหลือพวกธรรมาก็อาจจะเดินทางต่อไปส่งพระอาจารย์คุมกิจที่ <c oughs> ระยองอาจจะค้างคืนที่นั่นชงเช้ชาก็พรุ่งนี้เช้าจะเดินทางแต่เชา้าขึ้นเหนือก็มีคอ้อ ต, ต่อที่เหนืออีกตั้งแต่หนึ่งถึ ง, งสิบนะก็ไม่มีว่างเว้นในการทำภาระหน้าที่ตรงนี้ <c oughs> ซึ่งก็จะได้ ให้ญาติโยมของเราได้เข้ามาฝึกปฏิบัติเนี่ยที่หลวงพ่อนินหลวงพ่อเทียนท่านเน้นว่ า, าเราเข้ามาปฏิบัติสิ่งแวดล้อมก็สําคัญนอกสิ่งแวดล้อมสาคัญแล้วครูบาอาจารย์ก็สําคัญครูบาอาจารย์สําคัญก็ยังไม่เท่ากับตัวเราที่สําคัญที่สุดที่ว่าเรามีความจริงใจมีความตั้งใจมีอ า, ารมณ์การมีจิตอารมณ์เข้มแข็งแค่ไหนที่จะเอาทางนี้ไปทางเดินของชีวิต ตรงนี้ก็สําคัญแต่ถ้าเราไม่พร้อมตรงนั้นนะสิ่งแวดล้อมก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีก็หมดความสําคัญไปโดยปริยายแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมีรวมการชัดเจนแน่นอนสิ่งแวดล้อมและครูาอาจารย์ก็เป็นตัวประกอบที่สําคัญเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมาก็ทําหน้าที่ตรงนี้ น, นี่เขาแจ้งให้ทราบเพื่อจะได้ไปนั่ง <c oughs> วิเคราะห์ต่อรองอะไรกันว่าจะกลับตอนไหนเมื่อไหรอะไ ร, ะไรให้ชัดเจนตามนี้คนไหนจะ นั่นก็คือ ช, ชว่วงเช้าหลังจากเ็จเสร็จแล้วเราจะต้องไปเรียบเรียงอารมณ์เราใหม่ว่าเราลําดับมาอย่างไรตังช่วง8ปดโมงถึงสิบโมงสิองทานอาหารเสร็จจากเที่ยงถึงบ่ายโมงใช้เวลาหนึ่งชัวง่วโมงในการเก็บข้าวของสัมภาระและข้าทีหลังจากนั้นบ่ายโมงถึงไปเรื่อยๆไปจุกไนก็แล้วแต่ต่อการรายงานอารมณ์ของแต่ละคน สู่ก่นฟังแบ่งปันก็เรียกเป็นช่วงแบ่งปันบางคนที่มีประสบการณ์อย่างนี้อาจจะคนนี้ยังไม่ไม่มีประสบการณ์แบบนี้ก็จะอาจจะรับไปศึกษาปฏิบัติในช่วงแบ่งปันในช่วงราย ง, งานเป็นช่วงสําคัญประชุมสัมมนาในเชิงปฏิบัติการซึ่งสถานที่หรือโลเคชั่นที่เราจะใช้สัมมนาก็า จ, จะใช้ที่ไหนดูก่อนอากาศเมื่อวานฝนลงเนี่ยอาจจะพอใช้ข้างนอกได้ ถ้าไม่ใช้ในอาคารเหล่านี้ก็ลานประดูทราลานปะดูยังไม่เหมาะก็จะเป็นศาลาท่าน้ําเราค่อยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนแรกวันนี้ว่าเราจะเป็นวันธรรมจาริกไปแก่งหินเพลิงเมื่ออาจารย์คมกิจท่านไปดูมาแล้วว่าดูแล้วไม่ค่อยสปะยะไม่เหมาะสมก็เลยว่างดโปรแกรมนั้นไป ถ้าในเที่ยวน้าเรามีอีกก็อยากจะนําเสนอว่าการจัดฤทธิ์เนี่ยคนจะเป็นปลายฝนหรือต้นหนาวช่วงหนึ่งหรือต้นฝนปลายฝนต้นหนาวก็ประมาณพิจิกาธันวาแต่ไม่เกินมกกุมกกาลาเพรมุกกาลาขึ้นไปแล้วก็จะร้อนละช่วงหนึ่งแล้วอีกช่วงหนึ่งคือนุ่น พฤษภามิถุนากรกฎาโดนฝนในช่วงนั้นบรรยากาศก็เริ่มที่คลายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปแต่ในช่วงเนี้ยตั้งแต่กุมภาพันธ์นาเมษาพฤษภาเนี่ยก็เป็นช่วงที่ร้อนบ้านเราก็ถ้าไม่จําเป็นแล้วก็ไม่อยากจะจัดในช่วงนี้เพราะว่าเราต้องต่อสู้กับเวทนาค่อนข้างหัวร้ายเกินไปนะแต่ก็ มีส่วนดีก็ทำให้เราเห็นเวทนาชัดแล้วก็ทำให้จิตเรานิ่งได้ง่ายแต่สำหรับคนที่มีอิสีอ่อนทนเวทนาไม่ได้ก็จิตปั่นป่วนหุ่นวายได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือเหตุผลที่เราที่จะ close ในวันนี้นะ่นงช่วงบ่ายช่วงเย็นก็แล้วแต่แต่ว่ารายการของเราจะเป็นไปตามนี้ นั้นก็ช่วงช้าวันนี้ก็จะได้รัตนาภอาจารย์ครกิจอาจารย์อมรกพระหมายเราท่านอาจารย์มงคลก็คงจะทําหน้าที่เขียนไลทซีดีเพื่อที่จะงานทั้งหมดที่เราพูดกันที่ดีเอามาแจกในงานนี้นันถ้าใครจะกลับก่อนก็น่าเสียดายเพราะวันนี้เรามีของอชําด้วยของแจกมากมายนะเพราะเป็นผลอ น, นิสงส์ได้มาจากทัพมิงขวัญเพราะเราเดินทางต่อจากทัพมิงขวัญ มีหนังซือมีซีดีธรรมจาริกเราเดินพระไปเดินยังไงใครธรรมจาริกที่เราไม่มีส่วนไปร่วมตรงนั้นนะเราก็าจะได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะวอาจารย์บุงคลได้ไลท์เอาไว้มาแจากเป็น D วีดีก็คิดว่าน่าจะได้อนอกจากซีดีของที่นี่แล้วก็เป็นซีดีที่คุณเหมียวได้นำมาที่มาอบรมในที่ต่างๆ ที่แล้วมาด้วยเป็นเอ็พทีเมื่อวานโยมคณะหนึ่งมาจากปักธงชัยนั่งรถมาพบที่นี่บอกว่าฟังซีดีและหนังสือมอบรักโดยธรรมมาหลายปีแล้วฟังเป็นหมื่นๆเที่ยวแล้วหลวงพ่ออยากได้ซีดีใหม่บ้างนะเสด็นั่งรถมาจางมาสามคนเมื่อวานก็เลยฟังแล้วรู้สึกว่าจิตใจมันเปลี่ยนได้ปฏิบัติทุกวันเนี่ยแต่ไม่ไม่มีเวลามาเข้าคอร์สการทาอยู่ที่บ้านอย่างนี้ก็มีนะเขา ได้สิดีไปแล้วก็แอบปฏิบัติด้วยตัวเองอย่างนี้ยแล้วก็ก็ได้ผลสามารถแก้ปัญหาในครอบครัวอะไรได้อันนี้ก็คืออา น, นิสงส์ที่เราได้สิดีไปได้ถ้าเราฟังแล้วเราก็อาจจะแจกต่อเพื่อนต่อไปเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราพูดเราสนทนาอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์จริงไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เราเมคขึ้นเป็นเหตุการณ์ในจริงๆแต่คนที่ฟังแล้วก็เหมือนว่าเขาก็ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้ด้วยมีส่วนร่วมมาเข้ารีทีทกับเราด้วย เพราะในการพูดกันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เราทุกคนมีอารมณ์ร่วมกันคนฟังก็พร้อมมีอารมณ์ร่วมกับเราด้วยก็มีผลให้เขาได้ธรรมะ ต, ตรงนั้นเราจึงมองข้ามไม่ได้แต่นั้นการเก็บข้อมูลน้อยภาคเสียงอะไรต่างๆเอามาพยายามเก็บไว้เพราะว่าผ่านไปทุกเวลานาทีมันเป็นอากาศธะท้านไปแล้วนี่เราอาคืนไม่ได้เราควรเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้อนุชนดนหลังของเราได้ศึกษาได้ต่อเนื่องเอามาเห็นความสําคัญตรงนั้น เพราะนั้นเครื่องมือสื่อสารการผิดสื่อต่างๆแพงแค่ไหนมาขนขวายมาไว้เพื่อให้ผู้ที่ม า, าร่วมกับเรานี้ที่มีความสามารถดังนี้ให้เขาทําหน้าที่เที่ยวนี้ก็มีคุณเฉลิมนะเขามาช่วยจันมงคลอีกแรงหนึ่งก็คิดว่าคงจะไม่รีบหนีไปเะก่อนแต่เขาอยู่ไป น, นานๆอาจจะเป็นประโยชน์มากแต่เขาอาจจะไม่แน่นอนเขาเปน็นนี่จังอยู่เลย น, นะ ทํางานหน่อยติดอารมณ์ก็ท่าจะหนีอยู่เลยนะเที่ยว น, นี้ก็คงจะละอายว่างนะันเนาะถ้าไม่ละอายก็หงพ่อไม่รับวีแลนะ้วว่างันเนี่ยเอาละเช้าเช้านี้เราฟังข้อสังเกตของขอาจารย์คงกิตว่าท่านสังเกตเห็นอะไรในะ7วันเนี่ยที่เป็นข้อบุกคลองและข้อที่เขาพึงระวังแล้วก็เขาแนะนําที่ดีๆระดักบการและทํานไม่หมนครับ เป็นประธานมู่ทรงด้วยความเคารพเจริญพรยัติโยม <c oughs> มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าบาที่มี่ตัวอย่างพูดมากร <c oughs> ู้สิกได้พูดเยอะกว่าทุกๆครั้งเช้าก็เลยพูดเยนก็เลยพูดปกตทิทั่วไปนี่ จะได้ผลน้อยจะสบา ย, ยก็การภาวนาก็สังเกตหนึ่งของการปฏิบัติแต่มาได้สังเกตเจอ ก, กับเรื่องการรวมภาวนาเนี่ยความพร้อมของผู้ปฏิบัติกับการทำงานของผู้ให้การอบรมผมเคยไปฝึกหลายที่เหมือนกัน โดยเฉพาหลังจากผ่านการปฏิบัติแบบนี้แล้วเคยไป <c oughs> กไปบีพัต่างวัดป่าบ้างทังกลุ่มน้องประพงษ์บ้างไปผ่านกลุ่มเพื่อนน้อบ้างอเวลาเข้าเก็บคือเข้าคอร์สปฏิบัติเนี่ยก็จะมีพระอาจาร <c oughs> <c oughs> ย์ยูรูปเนี่ยที่เป็นหลักในการให้ร่มปฏิบัติแล้นั้นก็จะมีพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ท่านแต่งตั้งให้เพื่อดูแลการปฏิบัติ มันจะมีความเป็นเอกภาพในการให้อารมณ์มันเวลาไปปฏิบัติยังคนปฏิบัติ ด, ด้วยกันถ้าประชุมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันโดยที่ยังไม่ถึงช่วงเวลาบางครั้งจะอารมณ์มันจะรวนในแต่พระพี่เลี้ยงอะไรก็ตามแต่คนหนึ่งให้หลักการแบบหนึ่งคนหนึ่งให้แบบหนึ่งคนปฏิบัติตึงงนั่นจะต้องมีมีหนึ่งมีสอง หลังจากนั้นก็แค่ร่วมปฏิบัติจะยังไม่มาแชร์อารมณ์อะไรกันเพราะวการปฏิบัติถ้าคนนี้ได้อารมณ์แบบนี้คนนั้ได้อารมณ์แบบนี้แ ล, แล้วแล้วแลกเปลี่ยนกันมันจะทําให้เกิดความสัดสายฟุ้งซ่านได้นั่นในการปฏิบัติผมเคยไปร่วมกับพวกฝึกนองเหมือนกันก็จะมีอาจารย์อยู่รูปเดียวดั้นนั้นจะเป็นพี่เลี้ยงแค่พาปฏิบัตินั้นคนจะให้อารมณ์จะมีหนึ่งแล้วในช่วงระหว่างกันปฏิบัติก็จะยังไม่แลกเปลี่ยนอะไรกัน เพราะว่าจิตมันจะกระเพื่อมห่างกันได้ไง่ายแต่ใน <c oughs> ยิ่งในกลุ่มทางสายป่าแล้วเนี้ยจะมีพระหลวงพ่ออยู่รูปเดียวให้รมปฏิบัติแล้วไม่พูดมากเลยนะมันเคยไปอยู่กับหลวงปู่รูปนี้ผมฝึกปฏิบัติได้สักห้าปีแล้วผมกลับไปเยี่ยมบ้านไปกลับหลวงปู่รูปนี้เป็นหลวงปูท่ที่ที่บอกให้อตัตมามาปฏิบัติทม <c oughs> ท่านบอกตอนนั้นนะต่มาไปเยี่ยมท่านบอ่อยๆท่านจะเทศใน้ฟังทีสองสามชั่วโมงไม่รู้พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องแต่เรารู้สึกว่าไ ด, ได้นางฟังแต่คนรู้สึก ข, ข้างในรักสบายแต่ท่านก็พูดลังกันไปจําได้กางหนึ่งนะ้อกบวชก็ตายศิษก็ตายบวชก็ตายศิษก็ตายลูกเอ้ศิษย์ไปทําอะไรก็ศ <c oughs> ิษย์ไปเล่นไปติตะก้อในโรงคอเที่ยงในใจ <c oughs> ทีนี้ท่านอ่า แต่บอกให้ออกปฏิบัติธรรมฝึกนะเป็นพระแล้วกินข้าวชาวบ้านเขาไม่มีการกินฟรีนะลูกนะทีนี้พอกลับไปช่วงนั้นมาปฏิบัติแบบนู้นเลยค่ะสี่ห้าปีไต่าท่านอาจารย์แล้วท่ า, ทา น, น, นจะนั่งไม่เคพูดเคี่ยวหมากแล้วคนก็เด็กไปขอขี่หมากท่านอยู่เรื่อยใครอยากเอาก็เอาไปแต่นี้มันมีคนคนหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งไปกราบท่านแนละ้ มาเจอในอเด็กในเมืองเราน่าหงอยอไกลๆท่านหลวงพ่อครับผมอยากปฏิบัติทำนั่นก็เฉยเ่ยคือเวลาท่านพูดกับคนในตาท่านจะเปล่าเปล่ า, าเหมือนท่านไม่มีแววตาเลยคือท่านคือเห็นคนเหมือนมองอากาศแล้วสังเกตนะหลวงปู่ท่านก็จะนิ่งท่านจะพูดน้อยเด็กคนนี้ไม่ว่าหลวงปู่ไม่ได้ยินหลวงปู่ครับ ผมอยากปฏิบัติธรรมให้ผมทำยังไงครับก็บพูดดังขึ้นหน่อยน้งปู่เลยหันหน้ามาันดูอ่าหายใจเข้าพุทหายใจออกทัวอันวันนี้นะทำแค่นี้ไปกลัไปตอนนั้นผมอยู่มันเดือนนึงเสร็อีกสักสองวันเด็กคนนี้ใหม่หลวงปู่ครับผมพูดธทัวแล้วครับจะทํายังไงต่อพูดธทูให้มันได้ทั้งวัน ขันต่อแค่นี้เองอันเด็กนี้เขาเรียนทำอีกสกักอีกอีกนานพอสมควรจําวันละไนะนเดี๋ยเขามาอีกลงุงปู่ครับลุงปู่ครับผมทำพุทโธล้ว <Yeah. S 1> ผมทําได้ทั้งวันแล้วลุงปู่จับแขนเข้าไปหลังก็ตีเลยสามชั่วโมงค่อยออกมา <Yeah. S 1> นี่คือวิธีการสอนของท่านไม่ใช่พ้อมเพื่อไปเรื่อยๆไอ้ตัวเภทไม่เอาจริงน่ยไม่ได้ใกล้ท่านหรอกได้แต่ขี้มาท่านนั่นแหละ นี่ก็เป็นเทคนิคอุบายงวิธีเรียงแบบโบราณนั่นการปฏิบัติธรรมมันผู้ผู้มาปฏิบัติโดยเฉพาะผมได้สังเกยตยี่ปีของการบวชได้อยู่กับหลวงพ่อครูบาอาจารย์คือความด้วยวิธีการหลวงวัดเทียนการเจริญสติเนี่ยสภาพแห่งความรู้นื้อรู้ตัวตื่นตัวออกจากความทุกข์ความชิดเนี่ยมันมีในคนทุกคนพอครูบาอาจารย์ท่านเจอ เจอมากเจอน้อยก็ตามนะท่านจะมีความรู้สึกชนิดเดียวกันว่าคนทุกคนต้องรู้เรื่องไม่งั้นจะตายฟรีท่านก็เลยกระตือรือร้นในการสอนในการแนะนำแต่ว่าบางครั้งนี่คนที่มาปฏิบัติถ้าเป็นคนจริงจะได้ผลดีจะได้ผลดีมั้ยแต่ถ้าไม่เป็นคนจริงบางครั้งผมก็รู้สึกเหนื่อยและสงสารครูบาอาจารย์ในความเพียรพยายามทํางานของท่านแล้วก็คน ตั้งใจไม่มากจริงๆไม่ได้พูดถึงคอต น, นะคอตนี่คนตั้งใจดีทีเดียวแล้วท่านก็ต้องอเสียสละทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องอะไรต่างๆเที่ยวจารึกไปนั่นไปนี้เพื่อที่จะอารมณ์แต่ถ้าคนไม่ตั้งใจแล้วเพราะว่าวิธีการหลวงวสจ์เนี่ยมันมันดูที่เหลือกไม่ได้จะดูบุคลิกลักษณะอะไรภายนอกแล้วมาตัดสินว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าภาพาบุคลิกที่เป็นวาสนาของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน และจะมีความเป็นอิสระในเรื่องการแสดงออกภายนอกแต่เรื่องข้างในมันมีแก่นของมันอยู่นั้นถ้ามาติดที่เปลือกเมืเ่อเมื่อเดือนก่อนๆมาไปอยู่ที่ระยองพาพระไปพวกพระก็จะเป็นอะไรง่ายๆเนะี่พอดีท่านพูดประสบการณ์นั Scott ulu, ่นก็จะมีดีล Ocean, ไลแอคชั่มตอนนี้ไม่ได้นั่งหลักการพิมพพูดนะคือโยมที่ฟังมีหลายคนรู้สึก เ, เกิดเข้าใจเกิดกําลังใจมียายคนหนึ่งแก่สุดว่าพระไม่สํารวม ได้แค่นี้ไงว่าจากนอกเข้าหาในเนี่ยมันต่างกันแล้ววิธีการหลวงพ่อเทียนจะเป็นวิธีการที่ง่ายเปลือกไม่สวยเปลือกไม่สวยแต่แกันมันงามนั้นคนปฏิบัติต้องมีความจริงจังพอสมควรที่จะรับเรื่องนี้ได้ทีนี้มาสรุปในในส่วนของพวกเราในข้อนี้รู้สึกว่าตามความเข้าใจของผมนะผมรู้สึกว่าพวกเราตั้งใจปฏิบัติกันดีแต่มันคือถ้าเราปฏิบัติทําแล้วเนี่ยถ้าได้อยู่ เต้นใครเต้นมันกดไขกดมันนี่จะเกิดประโยชน์ความต่อเนื่องของอารมณ์ปฏิบัติเลยเพาะทั้งวันเ ร, เราเราเราไล่บี้กับกีรีบฟุงซ่านน่วงซึมอะไรต่างๆแล้วเราฝึกความรู้สึกตัวถ้าเช้าเย็นเนี่ยมันอดไม่ได้คนใหม่ๆถ้าเข้ากลุ่มรวมกันปับ๊บในที่การคุยเดินไปกีรู้กันสิ่งตัวนี้จะทําให้เพราะว่ารอยต่อห้องกันภาวนาเนี่ยผมจะสังเกตว่าเช้ากับเย็นสติสมัยจะสมบูรณ์ง่าย ถ้าเราไม่คลุกคลีปั๊บเนี่ยในช่วงที่เราสู้กับเบื่อกับเซ็งกับฟงทั้งวันพอไปทิ้งเย็นๆปับ๊บมันอาจจะเป็นช่วงพอดีที่จิตมันพิกแต่การจัดคอร์สเนื่องจากสถานที่หรืออะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราต้องอยู่เป็นกลุ่มในห้องรวมกันบ้างเนี่ยจะทําให้เกิดการคลุกคลีซึ่งมันก็เลือกไม่ได้พอสภาพมันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้จัดสภาพเอื้อให้เกิดการภาวนาการได้อยู่คนเดียวสําคัญมากถ้ามีคอร์สอาหาเต็นมาคนด้านหลังดีไหมโยมอิท ความเพียรมันจะมั่นคงมากแล้วมันจะต่อเนอ่องได้นั้นในส่วนของความเพียรภาวนาผมสังเกตว่าหลายท่านเริ่มทำความเพียรได้ดีพี่ขายวางใจเป็นแต่ถ้าเราสามารถคือการปฏิบัติทำเราจะไปปฏิบัติวิธีไหนก็ตามเคร่งคัดแค่ไหนก็ตามเอาจริงเอาจังแค่ไหนก็ตามถ้าเรายังไม่สามารถทาความเพียรในรูปแบบ ออกมาทำความเพียรในชีวิตจริงๆของเราคือชีวิตนอกรูปแบบถ้าเรายังทำจุดนี้ไม่ได้เราจะได้สมาธิชั้นสูงเกิดความเข้าใจเกิดเบากายเบาใจปีติอะไรแค่ไหนก็ตามเราก็ยังเป็นอนุบาลในทางเส้นนี้อยู่เสมอจะได้สมาธิชั้นลึกแค่ไหนก็ตามเจอนิมิตพิสดานแค่ไหนก็ตามแต่เราทำได้แต่ในรูปแบบเราจะยังเป็นเพียงเด็กน้อยในเส้นทางธรรม แต่การเจริญสติหรือการเจริญภาวนาไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามเครื่องมือใดก็ตามจะพูดโทจะน้องก็ตามเขาทําจนมันต่อมาสู่ชีวิตประจําวันของเราได้สามารถที่จะเดินตลาดจะเดินจตก่มเป็นเรื่องเดียวกันล้างหน้าแปรงฟันกับการเขียนไกายเห็นใจเป็นเรื่องเดียวกันความคิดวูบไหวขึ้นมาพอใจไม่พอใจอยู่กลางตลาดอยู่กลางบ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ตามทันออกมาได้นี่คือสิ่งที่เราต้องการนั้นเขาจะว่าเจ็ดวันของกันอยู่ที่นี่ น่าจะจับหลักกันได้พอสมควรนะก็คาดหวังว่าเราจะสามารถไปเดินตลาดจะเดินดมกกรมเป็นเรื่องเดียวกันนะไปพอใจไม่พอใจอยู่ที่ไหนก็ตามเราสามารถทําและหลุดออกมาจากมันได้แค่นี้ครูอาจารย์ก็คาดหวังอย่างนี้ที่มาอบนมแตผมก็คงมีข้ อ, อสังเกตจะบกพร่องหรือหรือไม่บกพร่องอยังไม่รู้นะเล่าไปแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ฟังแต่ผมคงเล็กน้อยแค่นี้ในเช้าวันนี้อนุโมทนากับตุกๆกท่าน I guess